ฟังดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีไม่เกิดปัญญาฟังดีคือมีลักษณะอย่างไรต้องตั้งใจสงบฟังพิจารณาธรรมะที่ท่านเทศไปนั้นโดยเฉพาะไม่ได้ส่งไปในที่อื่น ในการที่ฟังโดยเฉพาะนั่นไม่ใช่ไปรู้หมดที่ทันเทศมากวายไม่เจ็บไปรู้ทั้งหมดแต่หากมันจะไปถูกกับนิสัยจริตของตนขอ้ขอสักขอ้อสักคำหนึ่งเออยึดออ น, นันจะเป็นหลักอันนั้นเรียกว่า ได้อุบายเรกว่าได้ปัญญาการที่ฟังมากคิดไม่สงบจดจำได้ห้อยคมนั้นจริงอยู่แต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราจำได้เฉยแต่ไม่เขาทราบจึงเขาถึงใจถ้าหากทราบจึงเขาถึงใจสักคำหนึ่งก็ได้แต่มันจาไม่ลืม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 ไม่มีประมาณ น, นยยางแค่ความตันคือไม่รู้นั่นยาง น, นีพูดถึงความตันก่อนปิดตันทุกสิ่งทุกอย่างปิดมดที่เขาเรียกว่วาถาวรทั้งเก่าถ้าพุทธรูปปิดถวาวรนั่นเขาเีกวอยู่คงคงกรพันคือปิดหูปิด ตาปิดทวารทางหนักทวารเบาเลยไม่มีทางออกนั่นเลยปิดทวารการปิดทวารคือหมายความถึงการทั้มรวมระหว่างนะฮะการส่งออกไปภายนอกและเมื่อไปส่งออกภายนอกมันก็ปิดมันก็อยู่อสิ มันจะยิงออกหรือมันจะปันเข่าหรือมันติดหมดทวารทั้งเกาแล้วมันก็ยิงไม่ออกปันไม่เข่าเท่านั้นได้แก่ไม่ระเบิดออกไปไม่ส่งไปคำมันส่งไปมันต้องระเบิดเปในอารมณ์ใดก็ตามถอะทางตาหูจมูกร่้งกายกระชํา มันเบิดออกไปแล้วมันก็ปรุงไปแต่งมันก็บานปลายไปจนเป็นโลกไม่เป็นธรรมสียแท้โลกอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดคิดปรุงคิดแต่งคิดอะไรต่างๆไปหลายอย่างวุ่นวี่วุ่นวายไปไม่มีที่สิ้นสุดนันจปนเรียกว่าโลก แต่เมื่อรวมมึงแล้วก็แม่นี้จะกกาลมาโลกกอยู่ในกามาโลกนั้นแหละคิดอะไรก็คิดเถิดคิดสร้างบ้านสร้างเรือนคิดปุกพุงคิดแต่งคิดหาทรัพย์สินเงินทองคิดเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพทธมารมลงลงมารวมในนี้ เพื่อเกินรุ่มหลงมัวเมาทั้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ว่ามัวเมาที่ว่ารุ่มหลงคือไ ม, ไม่ไม่รู้จักต้นจักปลายพูดวายเสียงแค้นอันนี้เรียกว่าหลงเรียกว่ามัวเมาเออเพื่อเนวันข้าคืนลุงก็เท่าหน้นแดด ถึงเดือนหนึ่ ง, ก, นนงก็เท่านั้นเนี่ปีสองปีก็เท่านั้นฮะตลอดวันตายก็เท่านั้นเนี่ยไม่ออกฉางนอกไม่ออกนอกอย่างนั้นไปไหนรุ่นวายเพียงแค่นี้ <c oughs> ในเรื่องโลกอนปบาลจะเป็นถ้าเรื่องธรรมนะครับนี่นี่ที่ชินสุดพิจารณาใจตรงไป ถึงวัดลูกเอาแล้วเอารูปเนี่ยไปก่อนพิจารณาความเกิดมันก็ลงทึกความดับความแก่ความเฒ่าความดับมันก็ลงทึกความดับพิจาณาใส่ไผ่ไทมันก็ลงทึกความตายจิตใจที่มันคิดเนื้ปรุงแต่งไปไผก็มันมันก็หมดถึงความดับมันก็มันลงทึกสรุปลง ถึงความหยุดนิ่งคิดกรุงคิดแต่งคิดแป่อะไรคิดชอบคิดรักรักสวยรักงามรักโน่นรักนี่รูปเสียงกลื่นรถปูดพระถ้าไปทีงไหนรักมันก็พาส่วนตายมันก็ลงความตายของเขาแต่ว่าใจมันไม่ที่ใจมันเป็นโลกมันไม่ตายมันยังเพลินสนุก ถึงแม่ตัวนี้ตายแล้วมันก็ยังไม่ตายตัวนั้นไม่ตายมันยังเป็นโลกต่อไปอาหารก็เป็นไทม์แล้วมันไม่เป็นมันไม่มันลงหยุดถึงคว่วมมันหยุดมันไม่คิดเนื้อปรุงแต่งมันลงถึงข่วมดับคิดไปคิดไปกับทิรวมดับของเขา แต่ผภาคหมายความของทศไทยจะลงดับนั่นแหละขอนั้นมันดับแล้วบ่อนวนี้ก็ลงดับเหมือนกันความข้อ น, นั้นมันจางปลอดโปร่งเมื่อดับแล้วมันปลอดโปร่งโล่งหมดไม่ขับแคบไม่เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ด้วยความโล่งความปลอดโปร่งมีอิสระในตัว เนื้อใจบังคับของมันเนื้อใจบังคับของกิเลสมันเรื่องเหมือนเราเป็นกิเลสเหนือกิเลสท่านจึงเรียกว่าเหนือโลกอยู่ใต้กิเลสเรียกอยู่ในบังคับของกิเลสเรยก่เป็นโลกคาว่าโลกุตระตระไม่ใช่อื่นคืออะไรหรอ เนือกิเลสนี่นะรา ก, กุตระยุ่เนือที่เนือมากมันก็สู ง, สงขึ้นไปเนือน้อยมันก็สูงน้อยสูงกว่ากิเลสน้อยจะเป็นไล่ถึงมรคนิพพานเจ้าเทงชั่นฌา น, นสมาธิสมบัติโลดาสกิทาคาณาคาชื่อหรือเ่านี่ยังจะชื่อ ตตัวไม่ไปยันที่ดาวตัวใจไม่ไปตัวใจไปแล้วไม่ต้องพูดมันก็ถูกแลถ้าใจไม่ไปพูดแล้วม้แต่มันไม่ถูกเรียกว่าพระโพลคืออยู่เหนือโลกด้วยการอย่างที่นี่ยเรามาปฏิบัติ ฝึกฝนอบรมใจของตนที่มันคลุกขีย้ยดวยโรคงมงเมาด้วยโลกแต่นั้นแต่ใดมาตั้งแต่เกิดมาคลุกขี้งมงเมาด้วยโรกอ่นนะเนี่ยฝึกหัดเรียนเนี่มาคัดจัดเรื่องเรานั้นให้ค่อยเบาบางไปค่อยเบาบางจากโลกให้มันเป็นธรรม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 ทธิบายถึงเรื่องวิถีทางพวงวามากมายเรือที่จะกันานานับถึงเรื่องรูปเรื่องนามถึงเรื่องจิตเรื่องใจทธิบายมากมายส่งไปตามอาการเลยไม่เป็นธรรมแต่หากสงบตรงมาได้ที่นี่เราวเห็นพวกนี้แล้วเลยเป็นธรรม เรื่องเราเริ่มเป็นออกไปจากนี้คิดพิจารณาเห็นลูกเห็นนา้ามากมายพวงกวมันออกไปจากนี่คนทิ้งหลักนเนเสียแล้วก็ไม่เห็นทาเอาไปทํอะไรมากมายหลังล้วงหลายอันนี้ก็ยังไม่เห็นเห็นตัวนี้เสียก่อนหน้าจังค่อยไปมากมาย ถ้าไม่เห็นของอันนี้แล้วของนั่นกระเป๋าทั้งหมดไม่มีสาระธรรมะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่โน่นที่ท่านเทศนาไวนใน้ในคัมภีร์ในไลน์นรรก็ดีในหนังสือก็ต่างในต่างก็ดีไม่ใช่ธรรมะันเรื่องนั้นไม่ใช่ธรรมะ เป็นตัวหนังสือจาลึกคำพูดส่วนคำพูดต่างหากแต่ว่าเมื่อเข้าถึงธรรมะแล้วมันไม่ใช่อยู่โ น, โน่นมันไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงควาสงบเมื่อสงบแล้วเห็นขึ้นในใจของเราในทีนั้นอย่างน้อยที่สุด ก็เห็นจิตของเราว่าเราสงบเห็นจิตของเรานะั้นเรียกว่าปัญญาแล้วเกิดความสงบรู้ไปมาแล้วเห็นจิตของเราอันนี้จิตที่มันส่งสายไปตามอายตนะทั้งหลายนั้นอันนี้เรียกวิริยจะรู้สักเท่าไหร่จะเอาสักเท่าไหร่ก็ส่งไปตามอายตนะทั้ง พระโอ้โจังหมู่เรียงกายมันจะออกไหมจ้างนี่คุณนี่เห็นตัวต้นมันแล้วหรือคุณนี่มันออกไปใครรู้เรื่องของมันจะเอาไงกันอีกมันผิดมันถูกมันดีมันชั่วมันหยาบมันละเอียดมันติดมันคล้องมันยึดมันถือสิ่งใดจะไล่ไปเลยนะเรื่องเลือกิเลสทั้งหมด คี่เด็ดพันหาตำหาลอยแปดออกไปจากทางนั้นออกพิจารณาทางหกออกเงาทางหกหกอีกทานักแต่คู่นี้สงบแล้วนันเรื่องระดับเลยหายหมดยู่นิ่งคนเดียวคิดท่านว่าเอกสตาลมอารมณ์เดียว อาลงมันเดียวนี่หมายความถึงจิตจดจ่อเฉพาะเรื่องนั้นอันเดียวเช่นพิจารณาทาดเฉพาะจดจ่อในเรื่าตพิจารณาเฉพาะทาดเบิกบานอิ่มๆในเรื่องธาตุาตสี่พิจารณาขันห้าจิตใจเฉพาะนั้นจริงๆนะจังไม่ได้สงสายไป หลายเรื่องหลายอย่างมันเรียกว่าจิตรเรียกว่าเอขกขตาอาลงมันลงอันเดียวเอขกขตาหมายความเรงจิตอันเอกจิต อ, อันเป็นเอกนั้นประเสริฐเลิศยิ่งกว่าจิงในเองขอมด มันเห็ น, นมันยิ่งกว่าที่ไปรู้ภายนอกกันนะมันเต็มตื้นขึ้นมาเลยมันเบิกบานขึ้นมาเรียกว่าเอกสตราร์ลความสงบอันนะนะั้นเป็นของยิ่งเท่านี้แหละการสุขผนอบรมไม่มีอะไรอื่นนอกจากจิตแล้วก็ไม่มีอะไร ตัวสติตอนนั้นเข้าไปสงบจิตตั้งสติกำหนดจิตให้อยู่ในเอกกตาลมถ้ารักษาจิตได้แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวไม่พอกแบกโมยงค น, นแขนก็เรียกวเอกกตาลมเล่ามาบวชมาฝึกหัดปฏิบัติเ้าต้องการตรงนี้นะะ มากมายความขวัญงนว่าพูดเลยมากมายความขวัญถึงเทไรเทไรตามเถิการเราตรงนี้ต้องจิตเป็นในกรตตารมจิตเป็นในก็ตาลมแล้วนรรแวน่แน่เกี้เป็นว่าถูกต้องสติตั้งใจกำหนดจิตไม่ให้ไปในที่อื่นเท่านั้นแหะเป็นพอพูดเทไรมากมายเทไรมันข้ามเกินล้มจะพูดเทไรก็พูดไปเถอ อยู่ตรงนั้นอันเดียวมีสติระวังสังวรทุกเมื่อสังวรกับสังวรยนสี่หกนี่สติกัคุมจิตนะนะกายของเรามันก็มีหกอย่างทีงนี้ตาหูจ ม, มูเลงกายใจการฝึกหัดก็ฝึกหัดตรงนี้แหละฝึกฝนอรมก็ฝึกฝนอบรมตรงนี้ไม่ต้องอบรมที่อื่น ให้เห็นตัวให้เห็นเรื่องของเรากายวาจาใจเป็นยังไงดูอยู่อย่างนี้เอาละ อ, อาทิตยไปกระดันอาทิเป็นของสูงเป็นของละเอียดเป็นของอยากที่จะทำได้ แต่ไม่คไม่เกินวิสัยของคนสามัญทั่วไปไม่ต้องทำเราทำสมาธิพึงยินดีพอใจในกรรมฐานของเราที่เราทำสมาธินั้นจะพิจารณาอะไรก็เอาจะพิจารณาพุทโธหรือพิจารณาอาปาสติก็เอา อันนี้เป็นของเลิศเปิดเสริฐสูงสุดทุกพุทธเจ้าก็เลยสําเร็จอ น, นิพานมาผลอนิพานเพราะอนาปาสติเหตุนั้นเราดําเนินตามรอย พ, พุทธบาทคิอตามรอยพุกพุทธเจ้าท่านได้สาเร็จแต่ว่าเราจะต้องทําตามให้ทำทําสามท่านจะสาเร็จแต่ว่าสําเร็จก็ มันถูกรอยของท่านแดนท่านดำเนินมาแบบนี้ให้พากันยินดีพอใจในกรรมฐานของเราความพอใจนะ่ะเป็นของดีเลิศสำหรับที่จะก้าวไปสู่ความเจริญข้างหนานถึงที่สุดคือความหลุดพ้น ตั้งแต่ต้นที่จะไปคำว่าต้นเนี่ยคือหมายมความในขีดการงานในทางความมดถ้าหาก็มีศรัทธาแล้วคือความเชื่อความเรื่มใสย่อมได้สาเร็จถ้ามีความเชื่อควา ม, มใสซักแต่ ว, ว่าทำทำไปเฉยๆไม่เป็นผลสาเร็จ ถ้าหากมีศรัทธาเป็นเรื่องก้าวไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่มีการถอยหลังแล้วพึงตั้งใจให้แน่วแน่อย่างนี้แล้วจงกำหนดเอาพูดสติสัจไปไว้ที่ใจนั่นแหละใจที่มันแน่วแน่เต็มที่นั่น จึงค่อยภาวนาพุทโธหรืออารกะลึกอน า, าปาสติก็แล้วแต่ทาลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทหายออกพุทโธแล้วหายใจออกพุทโธหายใจเข้าพุทกแล้วแต่เถอให้มันแน่วในอันเดียวอันจิตที่นึกพุทโธนั่นแหละนึกอนาปารสติมันแน่วนั่นะ หายใจแวบๆมันกับฟ้ากดอะไรที่นั้นไม่เลยกำหนดให้ตามลมหายใจอะไรดอกแต่ว่าให้กำหนดลมหายใจแวบๆพุทธโธอะไหรืออรหังหรือจะเอาหน้าฟ้าก็อเอาเอาอันเดียวเอาเดี๋เอาอันเดียวแน่ๆตรงอันเดียวจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้น ใจก็จะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วให้จับเอาห น, น้าให้ได้ผู้ที่นึ ก, น, กนึกอ น, นาปานสติอันหนึ่งผู้ที่นึกแล้วผู้ที่ไปเห็นอ น, นาปานสตินนนหนึ่งมันเป็นสองขนสองอย่าง อาณาปารสติเป็นอารมณ์เราไปเาอา น, นั่นเป็นอารมณ์ในจิตไปเอานั่นเป็นอารมณ์ไปยึดเอาหน้าเป็นอารมณ์เรากำหนดเอาผูไปยึดไม่ใช่ไปเอาอาาปาสติเรียกว่าเงียบขายผูฝายของเราจับปนันให้มันได้ผู้ไปยึดหน่งผู้ไปยึดจับนันล้ผู้ไปยึดนตาเห็นรูป รูปนะั่นเป็นของภายนอกเราไปเห็นเนี่ยไปเห็นรูปภายนอกเราอย่าไปยึดเอารูปยึดเอากู้รู้นั่นต่างหากพูดไปรู้ว่ารูปนั่นต่างหากตอนนั้นแนหะเรื่องของสําคัญที่จะจับออกให้ได้ถ้าหากยังมาทำเป็นเมื่ก่ยังอยู่ยังจับไม่ได้ถึงพูดนี่ก็สงสัย กันถ้าหากจิตนันเพ่นแรงมันผู้รู้นั่นไม่ต้องพูดยากฟ้ากดเสื่อมาเลยไม่เอาตรงนั้นให้มันได้